มีข่าวว่าคนที่กรุงเทพแล้วก็ตามเมืองใหญ่เขาแห่กันไปทำบุญสะดอกเคราะห์กันเพราะว่าได้ยินว่าลาหูกำลังเปลี่ยนราศีลาหูที่มันอมจันนี่แหละ อมจันไปแล้วเมื่อสองศีนที่แล้วเมื่อสองวันนี้ว่ามันเปลี่ยนราศีเปลี่ยนราศีก็เลยตื่นตัวกันแห่กันไปทำบุญแหาไปสะดอกเคราะห์ตามวัดที่เขามีพิธีหรือจัดหาพิธีแบบนี้วัดไหนที่จะพิธีสะดอกเคราะห์ รับมือลาหูเปลี่ยนราศีนี้ก็มีคนแห่กันไปทปําบุญกันใหญ่ก็ได้เงินกันมากมายถ้าคนเรานี่สนใจตื่นตัวเรื่องราหูเปลี่ยนราศีแต่ว่าไม่ค่อยสนใจเวลาใจของเรานี่มันเปลี่ยนภูมิเราไปสนใจเวลาลาหูมันอมจันทร์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 เปตพุ่มคือภูมิแห่งเปตรตเวลาเจของเรามันเคลื่อนไปสู่ความความหลงความโง่ก็เหมือนกับเปลี่ยกเข้ากับเข้าไปสู่ติรัชานภูมิติรัชานภูมมก็คือภูมิแห่งเดรัฉานเดรัฉานนี่มันหลงในเวลาใจของเรามันโกรธ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 ภูมิที่ต่ําก็เรียกทุกขติภูมิเป็นทุกขติและจิตของเราไม่ต้องรอให้ตายความนี้จะไปสู่ทุกขตินะในขณะที่ยังเป็นๆลมหายใจนี่แหละถ้ามันเข้าไปสู่ทุกขติเมื่อไหร่จะเป็นเปตภูมิติระชานภูมิมอสุรภูมิก็ตามมันก็ทุกเมื่อ น, นั้นแต่แม้จะเข้าสู่เทวภูมิ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 ได้เจริญก้าวหน้าได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีแต่จะต่ำลงนะเพราะฉะนั้นเทวภูมินี่ก็ต้องระมัดระวังให้เราหันมาสนใจเรื่องจิตใจของเราว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันถูกกิเลสครอบถูกราหูคือกิเลสเข้ามาอมจิตของเราหรือเปล่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงบ้างมันขึ้นหรือลงนะ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 บนกองเงินกองทองอยากจะได้อะไรก็มีคนให้อยากจะเรียนที่ไหนก็ไม่มีปัญหาแต่พอมันอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองนี่แหละชีวิตถึงไม่เจริญเพราะว่าประมาทเพราะว่าอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นไม่รู้จะทำมาหากินไปทำไมไม่รู้จะขยันไปทำไมก็มันมีเงินมันมีเงินอยู่รอบตัวมีทองอยู่รอบตัวนั่นลูกคนรวยนี่ก็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 ไม่งันรอดตัวเราจะมีเงินจะร่ารวยแค่ไหนไม่สําคัญแต่ก็ว่าในใจเรามันมีความเพียนมีความขยันมีความสติมีสติมีปัญญาหรือเปล่าเรื่องโชคแล้วก็เรื่องเคราะกรรมก็เหมือนกันจะมีโชคแค่ไหนแต่ถ้าใจไม่พร้อมใจมันไม่มีสติไม่มีขยันหมันเพียนเป็นเจ้าเลือน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 มีอุบัติเหตุบ่อยมากรถมาชนข้างหน้าบ้างรถมาชนข้างหลังบ้างกระดูกอ่อนเนี่ยเพราะว่าไม่มีเพราะว่าฮอร์โมนมันไม่ดีเนื่องจากตัดมดลูกกระดูกอ่อนเจอแล้วมันก็แทกก็หักรถมาชนก็กระดูกคอก็เคลื่อนเข้าโรงพยาบาลเกิดจะเป็นอมาาัมพาตแต่คนนี้นี่เขาเขามีความสุขเขาออกรายการโทรทัศน์เขาก็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 เาว่ใจของเรานะีมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นอนัตตามันเคลื่อนไปสู่ภูมิโน้นภูมินี้อย่างที่พูดไว้อยู่เสมอดั้นเราก็ต้องดูใจของเรามันฉลาดในการดูใจให้มีสติรู้เวลาใจมันเคลื่อนใจมันกระเพื่อมเพราะถ้าไม่รู้ใจปล่อยให้ใจกระเพื่อม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 เห็นอาการของจิตมันขึ้นมันลงก็รู้นีสติถึงสําคัญและมีปัญญามันหนุนช่วยก็ทําให้ปล่อยทําให้วางได้ทาให้จิตปล่อยจิตวางได้น่เดี๋ยวนี้เราไปไปห่วงไปสนใจเรื่องโชคชะตาราสีมากไปห่วงไปสนใจกับเรื่องการมีอิทธิฤทธิ์การเห็นอนาคต เห็นโชคเห็นลาบแต่ไม่สนใจเรื่องที่จะมาดูจิตดูใจของตนเองหรือมาลู่เท่าทันตัวกิเลสวันสองวันนี้ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะเรื่องฤษีภารตะฤษีภรตะนี่ก็กําลังดังเพราะว่ามองอนาคตได้เก่งก็งว่าอย่างนั้นนะเห็นเห็นเลขเห็นเบอร์ไดเมนคนก็แห่กันไปใหญ่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 เบอร์ของฤาษีผริตาอาจารย์ผมเองขายไปซองละสองหมื่นสามหมื่นบอก็ว่าคนซื้อไปก็แทงผิดก็โกรธฤาษีว่าให้เบอร์ผิดฤาษีก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์ของตัวเองนี่มันหลอกเน่ยมันก็น่าคิดนะคนที่มองอนาคตแม่นมองหวยมองเบอร์ได้เก่งหนึ่งแต่ว่าไม่รู้จักแยกแยะว่าสิทธคนไหนเป็นคนดีคนชั่ว อย่างนี้มันก็มีเหมือนกันนะเป็นก็เป็นไปได้นะแล้วมีประโยชน์อะไรนะมองอนาคตแม่นแต่ว่ามองคนไม่เป็นและยิ่งมองใจตัวเองไม่ได้เนี่ยยิ่งยิ่งหนักใหญ่อย่างเทวทัตนี่โอ้มีอิทธิฤทธิ์มากมายมีทลิทธิ์เยอะแยะเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จักไม่เทอดทางกิเลส ข, ของตัวอยากใหญ่อยากโตอยากจะมาเป็นผู้นํา เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วกิเลส ห, หรือความชั่วของตัวนั้นก็พาตัวเองมีลงนรกถูกธรณีสู่เพราะว่าไปทำอนันตริยกรรมคือพยายามที่จะสังหารลอกปวงประชนขพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่มีประโยชน์นะมีอิทธิิแต่ว่าไม่รู้เท่าทันกิเลสของตัวจัดการกิเลสของตัวเองไม่ได้การเดินดินบินบนมันเลยไม่มีประโยชน์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 นกเนี่ยมันก็บินได้หนอนี่มันก็ดำดินได้นะแต่มันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยแมนบอกนกมันบินได้มันเหาะได้แต่ว่ามันพ้นทุกข์หรือเปล่าหนอนี่มันก็ดำดินนะเก่งกว่าคนอีกมันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์เลยแล้จะไปสนใจทำไมจะไปสนใจว่าทาสมาธิแล้วลอยได้ หรือว่าทำสมาธิแล้หายตัวได้มีประโยชน์อะไรในสายพุธการก็มีนะมีบางคนนี่เขาเรียกว่าเดินข้ามน้ําได้ปฏิบัติปฏิบัติทำเจริญสมถ ภ, ภาวนาจนกระทั่งมีอิทธิปฏิหารนะเดินข้ามน้ําได้ไปพูดอวดพระพุทธเจ้าว่าฉันเก่งอย่างโน้นฉันเก่งอย่างนี้ พระเจ้าบอกว่าโอ้ยข้ามน้านี่จริงๆก็แค่พายเรือข้ามน้ํามันก็ได้แล้วแหละนี่ท่านอุตสาฝึกมาเป็นสิบสิบปีเพียงแค่จะทําแค่นี้เองหรือการข้ามน้ำมันยากอะไรก็แค่พายเรือข้ามทนั้นแหละอย่างมากก็แค่เสียงเงินไม่กี่อัดนะแต่ท่านนี่อุตสา์เสียเวลาเป็นสิบปีเพื่อมาทําได้แค่นี้มันเสียเวลาเปล่าทําเรื่องที่มันมีประโยชน์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 ที่จะทำให้มีโชคมีลาภที่ทำให้เกิดมั่งมีร่ำรวยอันนั้นมันมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่มันไม่ใช่คำตอบของชีวิตนะคำตอบของชีวิตจริงๆเนี่ยคำตอบสุดท้ายเลยนะก็คือจิตใจของเรานี่แหละว่ามีปัญญามีธรรมะแค่ไหนอย่างอื่นนันเป็นส่วนประกอบอายุวันนาสุขภาระนี่เป็นส่วนประกอบ การมีทรัพย์การมีสุขภาพดีมันนั่งเป็นส่วนประกอบที่ว่าทิฏฐธรรมิกตถาประโยชน์ปัจจุบันงคนเราก็ต้องมีอาศัยประโยชน์ปนัจจุบันก่อนเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นปกติได้แต่ว่ายังไม่ใช่ส่วนสําคัญที่สุดส่วนสําคัญที่สุดมันอยู่ที่สัมป rajikatha ก็คือเรื่องของใจนะสัมปร a ยิก a t h a ก็คือเรื่องศรัทธาเรื่องปัญญา เรื่องของการมีธรรมะที่ทาให้จิตใจเป็นสุขได้แล้วยินงเข้าถึงปรมัต์คือนิพพานเรียกว่าจบได้จบได้จบการศึกษาจบการศึกษาเรียกว่าเป็นอเศขบุคคลบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาต่อไปแล้วคนที่ไม่ต้องเรียกหมดกิจหมดภาระแล้วถ้ายัางไม่ถึงตรงนี้ก็ยังต้องทำกันต่อไป คนไทยเราเดี๋ยวนี้เราไปติดอยู่แค่ทิฏฐะธรรมิกตถประโยชน์ชั้นต้นคือโชคลาบทรัพย์สินเงินทองอายุวันนสุขภัล ะ, ะแค่นั้นต้องไปให้ถึงสามปรยิกตถคือความสงบความเย็นที่ใจเนะพราะมีสติเพราะมีปัญญาเพราะรู้จักทมบุญรมกุศลแล้วก็ไปให้ถึงปรมัติมีปัญญาถึงขั้นที่เรียกว่า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 สู่ความปกติให้ได้เรว่าเหนือพบเหนือภูมิได้เลยนะศีลก็เล็กศีลเดียวนะก็คอยตั้งใจนะก็ทายยกแล้วก็แม่ออกนี่ก็ตั้งใจมากันนะเกือบทุกศี